วันนี้มีโมหะหาแล้วมันมววก็ดูดูไอ้โมหะมันไปมันก็หายบ้างแบบว่ามันมันเกิดดับเร็วจ้ะค่ะดีแล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้าเยอะวันนี้คเมื่อเช้าตเดินจงกลมน่าใจมันขลํบนาะนไปเรื่อยๆเพ่งด้วยแล้วก็อ่เพง่งที่มันปักมาไปเนี่ยเราเดินเดินสบายสบายใจเราสบายสบาย มันเผลอเดจยวค่ะบางทีมันพอมันเผลอแล้วมันก็ไปบางทีก็รู้พอมีสติขึ้นมาแป๊บหนึ่งมันก็เผลออีกค่ะหรือหลายครั้งหลังที่มานี่หลวงพ่อทักว่าจะค่อนข้างนิ่งปกติก็เลยพยายามไม่ปฏิบัติปล่อยปล่อยไปกับโลกนะฮะปล่อยให้หลายไปกับโลกครับปล่อยอะไรเนี่ยปล่อยปล่อยกายปล่อยใจฮะ ปล่อยไปไหนปล่อยไปหลงกับกิเลสนะครับเไม่ได้ปล่อยไปหลงใครกิเลสนะครับในหลวงพ่อฟังเมื่อกี้ได้ยินปล่อยตามกิเลสไปเลยอ่าคือพยายามไม่ดูอฮะกลัวว่าจะประคองไว้อ๋อครับรู้จักประคองยังรู้จักครับดูดู อ, ออกแล้วใช่ไหมที่เมื่อก่อนประคองครับแต่เป็นนี้เราก็ดูกายดูใจนะ แต่พอใจจะขยับไปประบฟองเราก็รู้ทันนะไม่ประบองแต่ไม่ไม่ใช่ฝึกมาให้ดูนะไม่ดูมันก็เหมือนชาวบ้านธรรมดาคนทั่วทั่วไปเขาไม่เคยดูกายดูใจตัวเองนี่นักปฏิบัติชอบไปเพ่งกายเพ่งใจจิตตรงนี้นี่เราเรียนรู้สภาวะของการเพ่งกับการไม่เพ่งได้แล้วเราก็มารู้กายรู้ใจแบบไม่เพ่งตอนนี้กลับไปเพ่งแล้วทราบไหอจะไปกดเอาไว้ ครับเนี่ยน่าไงโหจริงๆโอ๋ก็คล้ายๆชมพูขค่ะหพ่อรู้สึกว่าหมู่นี้จิตจะแบบว่าพุ่งไปตีกับคนอื่นอย่างนี้ยค่ะเหมือนว่ามันมันดิ้นออกไปแบบแรงมากเลยเนี้ยค่ะแต่ว่าจะถามหลวงพ่ออย่างหนึ่งนะคะรู้สึกหมู่นี้โอจะมีความรู้สึกว่าเออ่มันจะเป็นเฉพาะช่วงที่เหมือนโอ๋อยู่ สบายๆคนเดียวอย่างเวลาทานข้าวหรืออย่างเวลาที่เราอยู่แบบไม่ได้ไม่ได้ไปรับผัสมากๆค่ะหลวงพอ่อมันจะมีความรู้สึกว่ามันมาอยู่ตรงกลางมันโอ๋อยู่ตรงกลางแต่แต่แตโอ๋อยังรับรู้ข้างนอกก็อยากรับรู้แต่ว่าเหมือนกับว่าข้างนอกเนี่ยมันมีน้ําหนักน้อยกว่าสิ่งที่โอเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าโอ๋ไม่ได้ดิ้นที่จะออกมานะคะเพียงแต่ว่ามันจะสงสัยบ่อยว่า มันถูกหรือผิดเราเข้าไปลงไปในช่องไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราอย่าไปประคองไว้ก็แล้วกันอย่าไปแกล้งทําใจให้เบาๆมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยงเราฝึกไปเรื่อยคนทั่วๆไปนะภาวนาไปช่วงหนึ่งมันจะเห็นในลกข้างนอกยุง่งข้างในนิ่งๆมัมีความนิ่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายไม่มีความนิ่งความสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายข้างนอกวุ่นวายข้างในนิ่งๆนนี่ก็ยังไม่ผิดอะไร แต่ถ้ายินดีพอใจในความนิ่งตัวนี้ตัวนี้ส้างล่วเะฉนั้นใจของเราก็จะนิ่งสบายเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างสบายๆไม่เป็นปัญหาอะไรเพรนั้นดูที่ใจเราใจเราชอบตรงนี้เมื่อไหร่เราก็ผิดเมื่อนั้นะถ้าชอบนะจะถดถอยแล้วหนีหนีเข้ามาอยู่ข้างในแต่ของโอยังไม่หนีเท่าของเอนะเอหนีเยอะแต่ว่าชมพูก็ยังหนีเยอะกว่าโอ อย่างนี้อก๋ก็ก็แค่ถ้ามันเป็นอ๋ก็รู้ไปไแค่รู้ ไ, ไปนะมันเท่าเทียมกันกับสภาวะอย่างอื่นภ <c oughs> าวนาแล้วมันจะมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่สงบสะอาดอยู่งนะั้นสบายเงียบ <c oughs> ๆอยู่คนเดียวสบาย <c oughs> ใจมันเป็นผู้รู้ขึ้นมามันไม่ได้หลงเข้าไปคลุกกาลมถ้าคลุกกาลมมันก็ทุกข์ขึ้นมาถ้า <c oughs> มันไม่คลุกเนี่ย เรสบายเงี้สยส่วนมากภานานไปแล้วพอใจพอใจตัวนี้เริ่มมีปัญหาแล้วจะติดต่อไปวันไหนหลุดจากตรงนี้นะก็จะโมโหละวงี้ก็ไม่หนีรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องแก้วันนี้ก็มีโมหะบ้างแต่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่มาค่ะสึกสบายขึ้นนะเบอร์หกอ่ะเบอร์หกอ่ะ เมขเบอร์เก้าเบอร์เก้าทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้เออตับถูกเมื่อหนึ่งเมื่อกี้ทำอะไรไปดูเข้าเลอกตัวเองเนื้อออกไหมเนี่ยฝึกเปอย่างนี้นะฝึกดูจัดของจริงๆจิตใจเราชอบทํางานเป็นขนาดขนาดซึ่งแม้เมื่กี้เมื่อไม่ได้เพ่งตอนนี้เพ่งละเพะนสิ่งที่ผิดมีสองอันนะเผลอไปเมื่อไ ป, อไปกับเพ่งเอาไว้มีสองอันถ้าไม่เผลอไม่เพ่งใจก็รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมารู้สบายสบาย รู้สักว่ารู้สักว่าเห็นไปไปส่งไม่ไปไหนช่วงนี้เขารู้สึกว่าธรรมดาขึ้นนะคะเขรู้สึกว่ามันเกินธรรมดามาช่วงหนึ่งไม่ว่าจะไม่ว่าจะรู้ชัดเกินกับนิ่งเกินนะคะตอนนี้ก็รู้สึก เข้าใจคำว่าธรรมดาแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะยังนิ่งเกินจริงนิดนๆ ย, ยังมีเกินจริงกับตลอดยงนิ่งเกินจริงนิดหนึ่งใช่รู้ไปนักปฏิบัติเต็มเยอะโรคเนี้ยแต่ได้อย่างนี้ก็ดีแล้วได้อย่างนี้ยังเห็นใจรักแต่ใจยังไม่เต็มที่รู้ไม่เต็มที่เกินจริ ง, งคุณเนงก็วันนี้มีประคองนิดๆเพราะว่าเหนื่อยอ่ะค่ะแต่ก็รู้สึกไม่เดือดร้อนกับมันเท่าไหร่ดีแล้ะ คุณผู้ชายเป็นพ่อครับคือเริ่มหัดดูจิตมาได้ไม่นานนะครับก็พอรู้จะทานความคิดบ้างแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีการเพ่งการบังคับอยู่นะแล้วก็เวลาที่เพ่งมันจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนไม่มีความคิดให้ดูเลยใช่เพง่งแล้วมันก็นิ่งฮ<ะ>สังเกตไหมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเวลาเราเพง่งมันนิ่งไม่มีไตรลักษณ์ให้ดู ได้แต่ความสุขได้แต่ความสงบนะไม่เห็นความจริงไม่เห็นไตรักณ์ของกายของใจยันไม่เกิดปัญญาการเพ่งการเผลอเนี่ยเราลืมกายลืมใจไปเมื่อไรลืมกายลืมใจก็ไม่มีปัญญาอีกแล้วเพราะไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้สิ่งที่ผิดเลยมีสองงานผิดของการทําวิปัสสนานะมีสองงานคือเผลอไปลืมกายลืมใจกับเพ่งไหมบังคับกายบังคับใจ นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะคือนักเท่งเท่งลูกเดียวเลยเอาท่านรองเชิญเชญินั่งก้อยีก็ได้นะเชินนั่งก้อยีเลยก็ได้เอาลุงน้องเชิญโอ้ไม่เจอกันนานเป็นสิบปีใจรอยทราบไหมทราบทราบดีนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้ดีล่ะ คือถ้าไม่ผิดไปสองงานไม่เผลอไปกับไม่เพ่งไว้ก็ถูกแล้วละ่ะทําไมต้องไม่เผลอไม่เพ่งถ้าเผลอไปมันไม่รู้กายรู้ใจถ้าเพ่งไว้รู้กายรู้ใจแต่กายกับใจนิ่งผิดความจริงนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดคือนักเพ่งนะก่อนจะเพ่งเนี่ยมันเริ่มจากอยากปฏิบัติอยากปฏิบัติก็เที่ยวไปกวานหามันว่าจะดูอะไรดีพอควานหาพอไปเจอแนละ้วก็ไปกําหนดเอาไว้ไปประทองไว้ให้จิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์นนั้นนั่นเดียว เช่นเราดูท้องคลองยุคเนี่ยเราประคองให้จิตจอดอยู่ที่ท้องอันเดียวรู้ลมหายใจประคองให้จิตจับอยู่ที่ลมหายใจอันเดียวเยมันก็เกิดการเพ่งขึ้นมในสุดจิตก็ติดอยู่ตรงนี้เลยอาจจะเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์นะแต่จะไม่เห็นว่าจิตเป็นไตรลักษณ์จิตจะนิ่งเพราะงั้นจะละสักยทติถีไม่ได้จริงๆยิ่งบางคนเรียนกันแบบผิดเลยอ่ะเช่นตามองเห็นก็กําหนดไว้ไม่ให้เกิดเวทนา จะให้ใจเฉยๆหูได้ยินเสียงก็กําหนดไว้จะให้ใจเฉยๆไม่ให้มีเวทนาหวังว่าถ้าไม่มีเวทนาแล้วจะได้ไม่มีตัณหาไม่มีตัณหาแล้วไม่มีอุปาทานไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีทุกข์จะตัดปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ตัดด้วยการเท่งปฏิจจสมุปบาทตัดด้วยการทําลายอวิชชาไปไม่มีใครสามารถจะตัดเวทนาได้ เว้นแต่ว่าเข้าสัญญาเวทายิสานิโรจนะ์ะอันอื่นไม่ดับอีกอันหนึ่งคือเข้าเข้าอสันญาเป็นโฟมลูกซักแล้วก็ดับนอกนั้นไม่ดับดอกเวทนาเวทนาเป็นธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิต ท, ทุกดวงถึงไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนานะก็มีอุเบกขาเวทนาดังั้นเวทนาเป็นของที่ดับไม่ได้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิต ท, ทุกดวง งั้นอย่างถ้าเราภาวนาแล้วตั้งเป้าจะดับเวทนานี่ย<ม>เขาใช่ผิดเลยนะผิดผิดตำลาเลยผิดปริยัตด้วยผิดในการปฏิบัติด้วยเพราะจริงๆเวทนามีอยู่ตลอดงั้นเรารู้กายเรารู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงของเขาไม่ใช่เพื่อแทรกแซงเขาไม่ใช่เพื่อดับเวทนาไม่ใช่ดับตัณหาอุปาทานภบชาติทุกข์แต่รู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจจนเห็นความจริงของเขาเขาไม่ใช่ตัวเราดูเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราดูเข้าไป ท่านแรกก็เห็นเห็นไม่ใช่เราล่าความเห็นผิดว่าเป็นเราดูลงไปเรื่อยเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูซ้ําไปซ้ํามานะคือว่าหนึ่งหมดความยึดถือในกายในใจตัวนั้นอะพ้ทุกข์อะทาไมเรียกว่าพ้ทุกข์เพราะกายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์กายกับใจนี่คือตัวทุกข์นะแต่เราจะเห็นไม่ได้หรอกถ้าเราเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์ก็เรียกเรารู้ทุกข์อะรู้อริยสัจคนที่รู้อริยสัจต้องเป็นพระอริยบุคคลเท่านั้นเอง งั้นเราจะไม่เห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์เราจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นอย่างนี้นะแต่ก็จะตัวอย่างดียังเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นมันบังคับไม่ได้ค่อยรู้ค่อยดูนะเห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปอย่างที่ใจอยากค่อยดูไปอย่างเนี้วันนึงก็ละความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราแต่ยังยึดถืออยู่ ค่อฝึกกันไปเรื่อยจนมันหมดความยึดถือนะแล้วมันจะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยยืนเดินนั่งนอนกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีแต่ความสุขล้วนๆเลยมันอศัศจรรย์ที่สุดเลยใจของเรามีความทุกข์ตลอดดูออกอย่งังทุกครั้งที่ทํางานขึ้นมามีความทุกข์แล้วใจเราทํางานทั้งวันทั้งคืนดูออกอยังตรงนี้ทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยถ้าเป็นคนนะตายไปแล้วทํางานยิ่งกว่าทาสอีกนะทั้งวันทั้งคืน คิดนึกปรงแต่งตลอดเวลาถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาตายไปแล้วใจหนีไปคิดทราบไหมอนีไปคิดรู้ว่าคิดเพ่งไว้แล้วทราบไหมดูตรงนี้นะให้รู้ทันอเรื่อยรู้ลงปัจจุบันไปะดีละใช้ได้มันที่ไหนมาทาง น, านี้แถวกระโดดข้ามข้ามอม๋อมะกี้ยังมาไม่ครบกันแถวเลยโบส่งกันบ้านยังส่งกันบ้างคนนี้กลัวแล้วรู้สึกไหม กลัวรูร้ว่ากลัวจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเลยก็เออช่วงนี้จะอื่นอ่ด น, นะคะหลวงพ่อบอกว่าให้พยายามเดินหนูก็เดินคือบางทีมันก็รู้สึกสบายคือต้องพยายามทาให้มันสบายไปดูต้นไม้ดูใบหญ้าเล่นอย่างนั้นแหละคือการภาวนาเนะี่ไม่ใช่การปลีกตัวเองออกจากโลกนะการภาวนานี้เราอยู่โลกนี่แหละเราดูโลกไปด้วยพระเจ้าอย่างเคยสอนซ่าเลยนะในภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลก อันวิจิตงดงามดุดร้ายฉลรส่งของพระราชาที่คนเข่าพากันติดอยู่แต่ผู้รู้ไม่ติดอยู่ท่านไม่ได้สอนนะพิสูจทั้งหลายอย่าดูนะพิสูจทั้งหลายอย่าฟังนะพิสูจทั้งหลายหนีโลกไปเถอะไม่เคยสอนนะงั้นการภาวนาจริงๆอยู่กับโลกนี่แหละโลกคืออะไรโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่โลกคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิ ภ, ภาธรรมารมณ์นี่อยู่กับโลกตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจคิด รู้ลูกเดียวเลยรู้ไปจกนกระทั่งเห็นเลยสิ่งที่ตามองเห็นก็ไม่ใช่ตัวเราตาเองก็ไม่ใช่ตัวเราหูก็ไม่ใช่เรานะเสียงก็ไม่ใช่เรากลิ่นก็ไม่ใช่เรารสก็ไม่ใช่เรานะจ ม, มูกนะลิ้นเนี่ยไม่ใช่เราเป็นวัตถุไปหมดเลยตาหูจ ม, มูกลิ้นกายเป็นวัตถุทั้งหมดเลยไม่ใช่ตัวเราตัวนี้ดูได้แล้วใช่ไหมมันมันได้ไปบางครงะคะั้งอะค่ะบาง <ours. S 2> ทีก็รู้สึกว่าอย่างคบางที่เมื่ออาทิตย์ก่อนหนูไป ไปเดินห้วยแถวแถวผาซ่อนแก้วค่ะหลวงพ่อพาเดินมันทรมานมากเลยปลวดไปทั้งตัวตอนนั้นก็เป็นไข้ด้วยค่ะก็พยายามมองเวทนาแล้วก็ถามว่าคือหนูก็พยายามมองแล้วแต่หนูยังแยกไม่ออกว่าใช่กำลังถ้าดูเวทนาต้องมีกําลังของสมาธิค่ะมีสมาธิหนุนหลังมันจะเห็นเลยกายอยู่ส่วนหนึ่งนะเวทนาอยู่ส่วนกายไม่เคยป่วยใจก็ไม่เคยป่วยแต่ความป่วยเป็นอีกสิ่งหนึ่งใช่แต่ว่าคือหนูก็ไม่รู้ว่า มันหลงไปหรือเปล่าเพราะว่าพอเวลาพอเริ่มมีสติจะมีเสียงหลงพ่อเข้ามาในหัวตลอด mm hmm. ต้องกําหนดแบบนี้ต้องก็งแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าพอเออไม่ใช่กำหนดคือต้องมีสติพอคําว่าพอมีเสียงหลงพ่อเข้ามาในหัวปุ๊บก็ต้องมีสติก็เลยไม่รู้ว่าเอี่ตอนนี้เรากำลังมีสติหรือกําลังคิดถึงเสียงหลงพ่อกันแน่ตอนนี้กําลังหลงอยู่กําลังสงสัยว่ามีสติหรือไม่มีสติรู้ลงปัจจุบันรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ค่ะบางทีมันก็เลยสับสนแบบเนี่ยยังไงกันแน่แต่ว่าสับสนให้รู้ว่าสับสน สงสัยรู้ว่าสงสัยสับสนหรือว่าสับสนถ้ารู้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็คือรู้ค่ะเราก็เลยจำคำหลวงพ่อว่าสงสัยรู้ว่าสงสัยก็จะมีเสียงหลวงพ่อมาก่อนเลยแล้วสังเกตไหมความสงสัยก็ไม่ใช่ตัวเราใช่เห็นไหมความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ตัวเราดูออกไหมค่ะบางบางทีก็ออกแล้วดูออกไหมความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกตัวนี้ตัวยากนิดนึงบางทีรู้สึกว่า ความสุขความทุกข์บางทีมันมันเหมือนเป็นของร้อนแต่ว่าเราก็ยังไปหลงอยู่มันเป็นของแปลกปลอมเข้ามาะนะกุศล<ง>นกุศลไม่ใช่ตัวเราเป็นของแปลกปลอมเข้ามาร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราถูออกไหมตัวที่ปีนภูเขาอยู่นี่ตัวที่เดินในห้วยอยู่นี่มันเดินไปใจของเราเป็นคนดูมันไม่ใช่ตัวเราเพราะฉนั้นการเจริญสติถ้าทำถูกต้องสติตัวจริงเกิดนะมีสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา มันจะเห็นขันห้าไม่ใช่ตัวเราจะดูซ้ําแล้วซ้ํำอีกแล้ววันหนึ่งก็ละความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นเราแต่ถ้าเราไปนั่งกําหนดนั่งเท่งนะเห็นหน้านอื่นไม่ใช่เราเลยรู้สึกกูเก่งกูเก่งนะรู้สึกกูเก่งกําหนดเก่งกิเลสเกิดขึ้นมากําหนดที่ไรหายหมดเลยกูเก่งอีกแล้หนูยังไม่รู้สึกหนูรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาโดนกิเลสปั่นจน น, นั่นแหละดีลูกศิษย์หลวงพ่อนะเห็นกิเลสเยอะนะ เพื่อรู้สึกว่าโอทําไมเราถึงแบบร้ายกว่าที่นึกทำไมกิเลสมันถึงมีอํานาจมากขนาดนี้เราีที่เห็นรู้สึกคนทั้งโลกนะถูกกิเลสปั่นหัวอยู่ไม่เคยเห็นเลยกระทั่งไปภาวนานะก็ภาวนาเพราะกิเลสสอนภาวนาวก็พยายามกําหนดพยายามบังคับตัวเองไปได้่อยเลยพอบังคับได้ภูมิใจนะชันเก่งชันเก่งนะตอนนี้นนไม่ได้แล้วแต่ถ้าภาวนาเป็นยังรู้สึกเลยไม่เก่งเลยถูกกิเลสต้อนทั้งวัน หนสึกว่าถูกต้อนไปต้นมาแล้วพอไปไปมามนหนูกลายเป็นว่าหนูทําอะไรไม่เป็นเลยหนูต้องมานั่งฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็มานั่งนับหนึ่งหมาว่าจริงทําอะไรไม่เป็นหรอกเพราะอะไรเพราะเราทําอะไรไม่ได้ทหารถ้าทําได้นะเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาธรรมะได้แสดงตัวให้เราเห็นแล้ว เ, เราบังคับอะไรไม่ได้สักอันเดียวกายนี้เราก็บังคับไม่ได้เวทนาเราก็บังคับไม่ได้จิตเราก็บังคับไม่ได้เห็นไหมความจริงอยู่ตรงนี้น ะ, ะอยู่ตรงที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลย เราบังคับมันไม่ได้ถ้าเห็นตรงนี้ถ้าใจยอมรับตรงนี้ใจอย่เข้าถึงธรรมใจอย่าเข้าถึงธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นความจริงแนั่นึองใจมันยอมรับความจริงอยากพูดทราบไหมทราบค่ะอะใจอยากพูดความอยากมันดันขึ้นกลางอกเแล้วก็ดูไปสังเกตไหมมันเกิดแล้วมันก็ดับค่ะสังเกตไหมความอยากไม่ใช่ตัวเรายังไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ไปดูเรื่อย ๆ, ๆสิเดี๋ยวก็ชัดดูไปเรื่อยแล้วเจอเนี่ยใหญ่แล้วเห็นไหม เวลาปั๊ปมยาฝุ่นมันดันคนนี้มันช่างพูดนะอา้าพูดไปให้พูดนิดเดียวค่ะคือหนูคือช่วงนี้หนูอึอดอัดมากๆไม่ไม่ก็แค่พยายามแบบตรงทีก็แบบไม่ปฏิบัติเลยค่ะลอยๆไปเลยแต่ก็มันก็ยังอึดอัดอยู่ตลอดเ<ม>วลาไม่ใช่นะมันมันแกล้งไม่ปฏิบัติจริงๆมันยังปฏิบัติอยู่การปฏิบัตินะคำว่าปฏิบัติเนี่ยเหมือนผีหลอกหลอนเราภาษาไทยปฏิบัติแปลว่าทําภาษาบาลีปฏิบัติ แต่ว่าถึงเฉพาะถึงรู้อยู่เฉพาะหน้าไม่ได้ทําอะไรรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเฉพาะหน้าคือเป็นปัจจุบันนั่นเองเนี่ยอย่างตอนนี้ยจิตนี้ไปคิดทราบไหมทรค่ะจิตนี้ไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดเนี่ยเรียกว่าเราปฏิบัติเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ห้ามไม่ให้หนีไปคิดพยายามจะห้ามพอหนีไปคิดแล้วพยายามแทรกแซงให้เลิกคิดพอคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลพยายามแทรกแซงจะไม่ให้สุขไม่ให้ทุกข์จะให้เฉย อากูศนเกิดหาทางละกูศนเกิดหาทางรักษานี่แทรกแซงทั้งสิ้นเราต้องการให้เห็นว่าทุกอย่างนะไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่เพื่อจะบังคับเพื่อจะเอาให้ได้การปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติเพื่อจะเอานะยากนะปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ยากเท่าไหร่หรอกดูบ่อยๆก็เห็นเองนะนี่ส่วนใหญ่ชอบบังคับชอบกําหนดชอบเพ่งนะกําหนดไปเรื่อยๆ หวังว่าวันหนึ่งจะดีคาดหวังว่าวันหนึ่งจะดีจริงๆนีแหละหวังอยากได้อยากได้ที่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายนะเพราะอะไรอยากดีอยากสุขอยากสงบถามว่ามีใครอยากรู้ความจริงไหมไม่มีแต่ภาวนาเพื่อจะเอาดีเอาสุขเอาสงบพยายามแทกแซงพยายามควบคุมพยายามบังคับหนะลงไปคิดร้ำไหมจิตหลงไปจิตไหลไปไม่ค่อยทันเท่าไหร่ค่ะไม่ต้องทันแต่หลวงพ่อ บ, บอกเรารู้ไหม อบอกแล้วรู้เองใช้ได้ถ้าบอกแล้วก็บอกไม่หลงเลยนะอาการหนักนะส่ะตงตอบไปค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้เห็นกิเลสเยอะขึ้นเนะคะ<ด>แต่รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วก็ทำอะไรเนี่ยรู้เลยว่า<ด><ด>เป็นกิเลสนำตลอดเลย<ด><ด>ค่ะ แล้วพอเห็นก็ค่ะแล้วก็รู้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นเวลาที่ภาวนาเนี่ยเป็นความสุขที่เราไปขยายผลมากกว่าความความจริงที่มันปรากฏขึ้นเพราะว่าเราไปยินดีกับมัน<อ>ตรงนี้นี่เมื่อวานพี่ตุลพึ่งพาให้ดูอะค่ะแล้วก็เลยเห็นว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งหนูไปแบบอินกับสุขมันเกินไปจริงๆริะค่ะแล้วตุนไปสอนที่ไหนอะที่บ้านอาลีค่ะเมื่อวานอ๋อไปสอ น, นไปสอนบ้านอาลีใช่ค่ะ พี่เขาก็เลยแนะนําว่าลองดูจริงๆว่าจริงๆแล้วมันสูกแค่ไหนแล้วหนูไปไปขยายผลมันมากแค่ไหนเออดีเลยดีค่ะแต่ทีนี้บางครั้งก็เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นไปรักพิจารณาใจรักตลอดตอนที่ขึ้นไปผ่าซ่อนแก้วนะคะแล้วก็เห็นจิตเนี่ยมันรักร่างกายนี้มากๆอื ท, ท, ทั้งที่ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันคือเห็นว่ามันรักขนาดนี้ยังยังยังเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าทำไมมันถึงรักได้ขนาดนี้ทั้งๆ ท, ที่ทําอะไรไม่ได้นะค่ะมันรักก็ให้มันรักไป แล้วก็พอมันรู้ความจริงว่ากายนี่เป็นก้อนทุกข์แท้ๆมันจะเลิกรักช่วงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าไปอินกับสังคมคือไปร้องเพลงไปอะไรเงี้ยใจมันไม่เอาเลยค่ะอยากนะคะแต่พอให้ร้องเนี่ยมันไม่ย้องไปเที่ยวกับเพื่อนก็รู้สึกว่าไม่สนุกเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะค่ะเมื่อก่อนมันสนุกเพราะเราหลงโลกตอนนี้เพราะเรารู้ทันโลกไม่เห็นน้าสนุกเลยน่าสังเวชนะค่ะดีนาสงสาคนเสื้อแดง กร่าวนมัสการหลวงพ่อครับภาพรวมๆนี่ผมจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่มันจะมีความขี้เกียจเพิ่มมากขึ้นด้วยอยู่บ้านจิตเหมือนตอนนี้ไหมเออไม่เหมือนครับออไม่เหมือนใช่ได้ครับ ต, ตอนนี้นนมันมันจะมากไป ม, มากไปประคองไว้รเราไปประคองจิตให้นิ่งดีที่รู้ แล้ว hmm. มันจะขนลุกหน่อยๆนั่นแหละมันเป็นปีติครับถ้าเราประคองมันเป็นสมถะครับอย่างหลายคนเดินถุงกลมนะเดินไปรู้สึกตัวลอยตัวเบาตัวโครงรู้สึกขนลุกขนฟองวุบว่าบวุบวาบนะการของสมถะนั้นไปเดินเที่ยงครับแบบนั้นยืนเฉยๆก็เป็นครับยืนแล้วสังเกตดูเดี๋ยวมันก็เป็นจริงๆก็คือทํำถ้าใจเราสงบนิดนึงก็เป็นแล้วครับถอนใจสถอนใจครับ แค่นี้ก็เป็นได้ละไม่ยากอะไรทาใจสบายผ่อนคลายปั๊บเป็นเลยครับมันมันเป็นง่ายมันเข้าง่ายง่ายง่ายเพราะเรามีวัตสีแล้วผสมชาญอะไรในเรื่องง่ายง่ายนะมีอันหนึงครับซึ่งซึ่งผมทําผิดแล้วเพิ่งจะรู้ตอนแรกคิดว่ามันเป็นอันตโนมัติคือเราไปเจอเรื่องที่มันไม่ชอบ หรือว่าภาพที่มันไม่ชอบหรือว่าภาพที่เรากลัวยังเราสแกนไปแถวนี้นะครับพอเจอปุ๊บมันมันหยุดเบรกอัตโนมัติเราเราตัดสินเร็วมากเลยว่าอันนี้ชอบไม่ชอบนี่กลัวไม่กลัวป๊บแล้วมันหยุดหยุดแล้วมันกลับมาเราจะเป็นแบบนี้บ่อยๆจนคิดว่ามันมันดีขนาดอัตโนมัติแต่ทําไปทํามามันจะมันจะบล็อกตัวเองไว้รอบไม่ดีไม่ดีตอนหลังๆก็ ไห้รู้อย่างที่เขาเป็นถ้าเขาบล็อกเขาบล็อกของเขาเองไม่เป็นไรถ้าเขาบล็อกของเขาเองเราก็เห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่เราหรอกมันบล็อกได้เองอมันไม่มันเหมือนตัวอัตโนมัติแบบพอเราเอิ๊ดเหมือนกับเอิ๊ดบ็อกในใจบล็อกตั้งหลักตั้ ง, ต, งตั้งหลักสู้ใช่ครับเพราะมันจะเป็นบ่อยๆตอนนั้นเราก็คิดว่ามันดีเป็นอัตโนมัติตอนหลังแล้วเราเราก็คิดว่าน่าจะปล่อยให้มันทํางานต่อ ตอนนั้นครับน่าส่งมาข้างหน้าก่อนค่ะอยากเรียนถามท่านลูกสาวเด็กๆอยู่ที่กรุงเทพอยากมาปฏิบัติธรรมที่นี่จะมีวิธีไหนจะค่ะอ๋อต้องมาเรียนก่อนนะหลวงพ่อมีเงื่อนไขค่ะมนมาเรียนอย่างนี้หรือปล่าถ้ามาเรียนอย่างนี้มาได้เลยหรือว่าจะมาอยู่ที่นี่จะมาอยู่ที่นี่อ๋ออยู่ที่นี่ต้องภาวนาให้เป็นก่อน ภาวนาให้เป็นนะให้จิตมันตื่นกันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกันอคแล้วก็มาเข้าคิวนะแต่คิวยาวนะหลวงพ่อเปิดเดือนหนึ่งหรืยี่สบาัเนี้เต็มไปครึ่งปีครึ่งปีอตอนนี้หยุดยังไม่ได้เปิดรับคแล้วเต็มไปถึงมิถุนาละทราบทราบว่าถึงเดือนมิถุนาต่อไปกรกฎานี่เราจะจองไว้ก่อนได้ไหมก็ต้องจองมิถุนานะนาจองเดือ น, ม, นมิถุนา แต่เจ้าตัวต้องมาจองนะพราะหลวงพ่อต้องดูก่อนค่ะหลวงพ่อไม่ได้รับทุกคนออกรับทุกคนนะวัดไม่พออยู่หลวงพ่อรับได้ครั้งหนึ่งสามคนเนี่ยสามคนเอาหนีไปนั่งน่นแล้วเนี่ยโยมสังเกตไหมพวกนี้ดูฝ่องใสแต่ละคนคะหนุ่มๆสามคนเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ถึงจะมาอยู่ที่นี่อย่างอย่างดิฉันนี่มาสมัครได้ไหมนัค่ะ ต้งเรียนก่อนนะต้งเรียนก่นเรียนปฏิบัดเรียนที่ไหนคะเนี่ยมานั่งฟังอ๋อมานั่งฟัอจิตเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงปะเขาอยู่กรุงเทพเขาไม่มาไม่ได้ให้เข้าเอาซีดีไปฟังค่ะเดี๋ยวับแจกให้มีหนังสือมีซีดีแล้วมาที่นี่มาหาท่านอ่แล้วก็มาส่งกันบ้านนะค่ะสอบได้แล้วก็มาเข้าจิวให้ค่ะแม้เข้ายากนะไม่ใช่รับง่ายง่าย้ารับมามากๆแล้วก็ เดี๋ยวก็มานั่งคุยกันหรือมาทะเลาะกันนะอ่ะช่วงนี้ อ, อ, อยู่บ้านจิตเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนเท่าไหร่ค่ะตอนนี้จิตเป็นไงดูมันจะเพ่งๆใช่มันเพ่งค่ะตับถูกใช้ได้ค่ะอะ่แล้วไงคืออยู่บ้านเนี่ยพอจะมองจิตออกบ้างค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นการภาคมากเกินไปหรือเปล่าค่ะ ก็ถามดังตรีนสิน้องเราเองออยู่ไกลค่ะไม่ค่อยได้ถามอ๋อเหรอค่ะคือจิตจะภาคนะห้ามมันไม่ได้แต่อย่าไปช่วยเป็นภาคยกตัวอย่างอย่างพอใจเราเผลอไปจิตมันบอกว่าโอ้ยเผลอไปละอย่างนี้ไม MM ่เป็นไรจิตมันภาคเองแต่หลังจากนั้นเราจะเริ่มภาคแล้วโอ้เผลอนี่ไม่ดีเลยนะทำยังไงจะไม่เผลออีกนะตัวนี้เรงองห่าจมีปัญหา จิตจะพาคห้ามมันไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาแต่อย่าไปช่วยมันพาคหนีไปคิดทราบไหมจิตไหลไปคิดคไหลไปคิดให้รู้ทันคนน้นเพ่งใหญ่แล้วคนที่อยู่ข้างหลังทำไมเพ่งใหญ่เลยกลัวเลย อ, อ๋อเต่าค่ ะ, ะ, คะก็เพิ่งเพิ่งเคยมานะค ะ, คะแล้วก็อยู่บ้านก็นั่งปฏิบัติเหมือนกันใจลอยไปแล้วทราบไหมใจหนีไปคิด ก็ก็มีค่ะใครรู้เรื่อยๆนะรู้บ่อยๆเวลาใจเราแอบิปคิดค่ะบางทีก็จะแบบเหมือนกับว่าตัวเราสั่นไปอย่างเงี้ยค่ะนั่งอยู่บ้านแบบเหมือนกับวูบๆวูๆอย่างเงี้ยค่ะเ็อย่าไปนั่งอย่างนั้นนะออกมาทํางานขัดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรเงี้ยมันเป็งานไปค่ะขาดบ้านไปแล้วก็ลาคาญคนอื่นมาทําบ้านรกอย่างเงี้ยรู้ว่ารําคานฝึกอย่างนี้นะอย่าไปนั่งนค่ะของคุณนั่งไม่ดีหรอกเดี๋ยวเห็นโน้นเห็นนี่ อค่ะแล้วจิตอย่างนี้ไม่ได้นะที่หลวงพ่อบอกมันชอบเพ่งเดี๋ยวก็จะได้ยินโน่นเดี๋ยวก็จะเห็นนี่ยุ่งเพ่งไปใช่ไหมเพ่งไปค่ะเรู้สึกไหมตรงที่พี่ยักหน้าเผลอไปค่ะใจไหลแวบไปรู้ค่ะอดีรู้แล้วก็คือจะหยุดอะค่ะอย่าหยุดสิผิดตรงนี้แหละอ๋อเหรอคะมันไหลเรารู้ว่าไหลไม่ใช่ไปดึงเอาไว้ค่ะต้องไม่ไปเลยแดงเนี้ยใจไหลไปก็ดึง ก่อนน ะ, ะอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นให้รู้แล้วก็จบลงที่รู้ไม่ใช่รู้แล้วดึงค่ะเพราะว่าเพราะว่าเผลอไปแล้วรู้สึกไหมหนีไปคิดเลยค่ะก็คือแบบยังยังไม่เคยแบบคือเราอ่านจากหนังสือแล้วก็ทำไปไงค ะ, คะดูไปเรื่อยๆนะเห็นแล้วอาเบอร์เจ็ดสิบสองวันนี้เป็นไงอ่า <im itation> มีเพ่งแล้วก็บองค่ะเออตับตัวไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะเลิก <im itation> <im itation> พอมาถึงวันแล้วมันกลัวมันก็เลยแบบเมื่มัดแล้วมันกลัวหลวพ่อ น, น, นะ <im itation> <im itation> พอเข้าปุ๊บก็เป็นเลยค่ะ <im itation> แต่โรคนี้โรคประจวัดหลวงพ่อมองใครนะตัวแข็งหมดเลย <im itation> อ้าวสารสงสังเกตไหมตอนส่งไม่ฮนะเบอร์เจ็ดสิบสองลืมตัวไปละ วันนี้ใจไม่ค่อยมีกําลังครับก็แล้วก็ฟุ้งซ่านครับวันนี้ดีตรงที่ไม่ได้ข่มไว้ครับวันนี้ดีนะไม่ใช่วันนี้ไม่ดีใจฟุ้งซ่าน <ull> รู้สึก ว, ว่ามันใสอยู่แต่ว่าเห็นว่ามันฟุ้งซ่านอยู่นั่นแหละฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านดีฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วไม่ได้อยากให้หายไม่ได้เป็นข่มไว้ครับนี่ตรงนี้สถากที่ดีแต่ถ้าฟุ้งซ่านแล้วไม่อยากฟุ้งซ่านจะข่มไว้ไม่ดี ฟุ้งซ่านแล้วไม่รู้ว่าฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้เลยมีหลายเกรดนะฟุ้งแล้วไม่รู้ว่าฟุ้งนี่ไม่ได้เรื่องเลยฟุง้งเรารู้ว่าฟุ้งแต่บังคับไว้ก็ดีนิดหน่อยฟุง้งเรารู้ว่าฟุ้งแล้วไม่บังคับเป็นกลางดีแต่ตอนนี้บังคับแล้วใช่เล้วครับผมไปละหลวงพ่อมองนานแล้วผมเหลวงพ่อมองมานานขึ้นมาแล้ว ที่นั่งอยู่ตะกี้ใช้ได้ใช้ได้ยาวเลยวันนี้ภาวนาดีจิตใจใสสว่างรู้สึกไหมรู้สึกครับเออจิตใจสว่างสวยดีออาละพอเดี๋ยวแข็งไปส่งไปข้างหลังไปั้งหลัแต่จะถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกไหมครับดีแล้ว แ, วแต่ไปดูเรื่อยๆนะกิเลสเกิดมาอะไรกี่หวนดูออกอยังก็มันก็ดูได้บางช่วงครับบางช่วงก่อ ลองลองทดสอบนะทดสอบตัวเองจับเวลาห้านาทีห้านาทีเนี่ยเราใจลอยกี่ครั้งเนี่ยหนึ่งครั้งนะสองครั้งละงงนะรู้สึกไหมรู้สึกครับเนี่ยดูลงไปเนี่ยใจลอยละสามครั้งละเนี่ยสี่ครั้งละพอจะตามทันไหมใจมันไหลปับป๊บวั๊บทัครับนะทางนี้ทีทางนี้ทีทางนี้ทีท น, ทนะหมุนหมุนอย่างนี้งง เราไปดูนะว่าห้านาทีเผอกี่ครั้งให้กันบ้างไม่ได้ให้ทําเยอะนะให้ทำห้านาทีถ้าให้ทําเยอะวันนันจะเครียดเดี๋ยวโรคประสาทกินเพราะจะรู้เลยว่าใจเราไม่เคยอยู่กันเนื้อกับตัวใจเราหนีทั้งวันทั้งคืนเลยนะใจเราแอบทางานตลอดเลยใจจะปรุงแตกตลอดนั้นเราซ้อมวัละห้านาทีนะซ้อมแล้วเวลาที่เหลือเราก็คอยดูดูใจของเรา สุขก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้รู้เป็นธรรมดาแต่แบ่งเวลาไว้ช่วงสัก5านาทีมาคอยดูนักประการครับใจเต้นหรือเกินต้องเต้นนะ <c oughs> อย่าหยุดเต้นเต้นช่วยไวผมเต้นเร็วมากเลยครับไม่ต้องไปออกกำลังกายเลยครับก็เมื่อกี้ติดมันอยากถามว่าหลวงพ่อทราบไห้ไงครับว่าคนนั้น เด็กนั้นหลวงพ่อเขานั้นหลงหลงพ่อก็เดาเดาเอาแม้คนเป็นครูเนี่นะเป็นครูหลายๆปีเนะเห็นหน้าเด็กนะรู้นะาเด็กคนนี้ซนไม่สนดื้อไม่ดื้อไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรหรอกตอนนี้ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมอยากพูดรู้สึกไหมไม่รู้เลยครับเลยต้องหันนะดีอยากพูดละรู้สึกไหมมันจะมีแรงปลักในหน้าอกเราเนี่ย นั่งเข่งแล้วรู้สึกไหมว่าสันครับไปข่มตัวเองไหมครับไม่ข่มให้รู้อย่างที่เป็นหนีไปคิดแล้วทราบไหมไม่ทราบครับหลวงพ่อบอกแล้วพอเห็นไหมก็เห็นตามได้ครับถ้าเห็นตามใช้ได้นะหลวงพ่อบอกเพื่อให้เห็นตามครับตามรู้ไปเรื่อยต่อไปเราจะเห็นได้ด้วยตัวเองเนี่ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมเห็นแวบๆครับนั่นแหละมันแวบๆอย่างนั้นแหละเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับ ดูอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆไม่นานก็เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเราเรียนธรรมะนะเราเรียนเรื่องตัวเราเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเราเองรู้ไปเรื่อยๆหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมคราบครับหันอย่างนี้นะเมื่อกี้แบบหนีมา ม, มาดูว่าใจมันเต้นช้าลงนะครับเออก็ดูไปนะตื่นเต้นลดลงละความตื่นเ ต, น ต, นต้นก็ไม่เที่ยงดูอย่างเงี้ยเริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหม ดกดเอาไว้ละให้รู้ทันลงไปส่ตงต่อเรียนเยอะเดี๋ยวเคลียดครับหัดดูสภาวะนั่นเองต่อไปพอจิตเราจำสภาวะแม่นนะพอสภาวะอันใดเกิดขึ้นมาสติจะเกิดเองสติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้แต่ถ้าจิตจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองเพราะฉะนั้นการเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนี่ยเรียนหัดรู้สภาวะนั่นเอง จิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยต่อไปจิตมันจะจําสภาวะได้มากจําสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมนี่หันดูไปอย่างนี้นะให้คอยรู้ทันใจที่หนีไปคิดนะใจที่หนีไปคิดเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดในแต่ละวันเราจะหนีไปคิดทั้งวันอ่ะทุกคนนะไม่เฉพาะรายใดรายหนึ่งทุกคนจะหนีคิดตลอดเวลาใจไหลแวบบ แวบแวบแวบอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยไปแล้วรู้สึกไหมหัดดูไปนะหัดดูต่อไปพอใจเราเคลื่อนไปมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาถ้าถ้าไม่รู้ทันเนี่ยใจจะหนีไปปรุงแต่งใจจะไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองอ้าต่อไปโดยคนหัดไปคเครียดแล้วคอา้ <laughs> อาวให้ก่อนให้ก่อนเอาเครียดมากเดี๋ยวเส้นประสาทเสียเจ้าค่ะ ก็วันนี้ตอนมาถึงก็ตื่นเต้นนะเจ้าค่ะพอมานั่งฟังก็ดีใจเจ้าค่ะแล้วก็ชอบกอในขณะที่ฟังก็รู้ว่าตัวเองหลงไปคิดวันนี้มีใจลอยด้วยเจ้าค่ะแล้วช่วงที่ผ่านมาของน้องไว้ตรงนั้นอยใจหายแวบเลยเจ้าเมื่อกี้ก็ตื่นเต้นมากรู้สึกไงเผลอเจ้าค่ะอย่างนี้เรียกว่าเผลอเพลินรู้สึกไหมเพลินเพลินเล่าแล้วเราก็เคลิมแปลก ให้รู้ทันนะตัวนี้เป็นกิเลสชนิดหนึ่งชื่อนันทิราคะนันทิราคะความเผลอเผลออยา่างตะกี้นี่นะจำได้ไหม จ, จำได้เจ้าค่ะนั่นแหละเป็นกิเลส ช, ชื่อนันทิราคะจำไว้นะต่อไปพาใจมันเป็นยังไงอีกก็รู้ทันมันเดี๋ยวมันรู้ทันได้เองอ่ะวันนี้กลับมาวันนี้น้ำส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ตื่นเต้น แล้วก็มีความสุขะค่ะแล้วก็ตอนอยู่ที่บ้านก็ส่วนใหญ่จะฟังซีดีหลวงพ่อก็จะเผลอนานหลวงซีดีหลวงพ่อแล้วเผลอนานอตอนฟังจะรู้สึกรู้สึกตัวดีค่ะแต่พอไม่ได้ฟังก็จะเผลอนานแล้วก็ังแล้วฟังแล้วเผลอนานมาแปลกแต่ก็พอรู้ตัวก็ส่วนใหญ่ก็จะไปจงใจแทนนะคะอืมดีที่รู้เห็นไหมใจเราถ้าไม่เผลอก็บังคับสุดโต่สองข้าง เหลือไปตามกิเลสไปนะเรียกว่าความสุขคาลิการุโยคเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายชั่วอาปุญญาที่สังขารบังคับตัวเองไว้ในเรื่องอัตตากิลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองเรียกว่าปุญญาที่สังขานความปรุงแต่งฝ่ายดีแต่จะปรุงดีปรุงชั่วก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละทุกแบบคนดีทุกแบบคนชั่วจิตตอนนี้ซึไมไปแล้วรู้สึกไหมหลงไปคิดหลงไปคิดให้รู้ทัน พอไม่อยากจะจงใจบางทีมันก็จะเผลอไปเรื่อยไม่ได้สิจงใจไว้ก่อนนิดหน่อยเริ่มต้นจะไม่จงใจเลยเดี๋ยวหลงนานเนืนเบื้องต้นเน่ะตึงไว้นิดหนึ่งดีกว่าหย่อนไม่ต้องไปพยายามทําให้หย่อนนะหย่อนนะหย่อนทําง่ายแต่ก็อย่าไปเพ่งเอาเพ่งเอาที่หลวงพ่อบอกอย่าไปเพ่งอย่าไปเพ่งไม่ใช่ห้ามทีเดียวพวกเราเพ่งจนไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วเพ่งลูกเดียวอย่างนั้นมีปัญหา ใจนี้ไปคิดแล้วทราบไหมไหลแว บ, บแว บ, บแว บ, บ, บ, บดวกุกว่ไหมอ่ะต่อไปต่อไปเอาหนุ่มที่นั่งใส่แป้นอะ่ะจิตเป็นยังไงเออใจลอยตับถูกใช้ได้ได้หนึ่งคะแนนอ่ะโยมกลับนมนาสการกครับผมเพราะเอเอเผลอเผลอบ่อยครับอือเกือบเกือบทั้งวันแต่บางทีบางทีก็รู้แล้วก็ เห็นแต่โลภะโทสะโมหะอยู่ตลอดเลยฮะ ร, รู้สึกว่าตัวเองมีเยอะเลยดีแต่ยมสังเกตไหมโลภะโทสะโมหะนี่เป็นสิ่งที่จิตเราไปรู้เข้าครับดูออกไหมโลภะโทสะโมหะไม่ใช่ตัวเราหรอกครับมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านา ย, ยมดูออกไหมความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเหมือนกันครับยมรู้สึกไหมร่างกายที่นั่งที่ยืนที่เดินที่นอนนี่ก็ของถูกรู้ถูกดู ก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเราหัดดูของเราไปด้วยนะในที่สุดเราจะพบว่าไม่มีตัวเราถ้าเมื่อไรละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราได้ก็ได้พระโสดาบันไม่ยากอะไรครับ <c oughs> ดีนะที่ตาวนาอยู่ใช้ได้ละส่งตอบไปคุณผู้หญิงที่นั่งมีอะไรคุยไหมไม่มีก็ผ่านวันนี้ก็ ได้พาท่านรองสองครามาท่านอยากจะมาพบท่านยรู้จักท่านเคยเป็นลูกน้องท่าน <c oughs> เป็นหัวหน้า ก, กองหลวงพ่อ <c oughs> ผมไปเล่าให้ฟังไ ป, ไปไปไหว้พระที่อินเดียด้วยกัน <c oughs> ก็เล่าให้ท่านฟังว่ามาฟังธรรมกับท่านแล้วก็เล่าให้ท่านเล่าให้ท่านสงครามฟัง <c oughs> ก็อยากจะมาพบ <c oughs> วันนี้ก็พามาโดยส่วนตัวปัญหาก็มีอยู่ว่า ออปฏิบัติมาก็หลายปีแล้วแล้วก็พยายามที่จะรู้กายรู้ใจในในโอกาสต่างๆตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ให้กับการปฏิบัติในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนโดยเฉพาะในอิริยาบถเดินนั่ง พยายามระลึกรู้กายรู้ใจแต่ก็ไม่เห็นสักทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรครับเพราะเพราะว่ายังจงใจปฏิบัติอยู่ยังบังคับตัวเองอท่านรู้สึกไหมท่านบังคับยังบังคับตัวเองอยังขนาดเนี้ยมันนิ่งกิดความจริงหรือออกไหมจิตมันถูกกดให้นิ่งผิดความจริงอยู่นิดนเจิตมันไม่จิตไหลไปคิดแล้วทราบไหม ก็มีครับผมเนี่ยดังที่จิตไหลเวเราไปรู้ทันนะรู้ทันครับผมพอเรารู้ทันสภาวะได้จริงๆแล้วถึงจะเห็นใจมันจะตื่นขึ้นมาเพราะงั้นหน้าที่แรกเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆสภาวะธรรมมีมากทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมาพอเราหัดรู้ไปแล้วจิตมันตื่นขึ้นมามันตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นทันทีเลยร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราตัวที่เดินอยู่นี้เหมือนหุ่นยนต์ที่จิตมาอาศัยอยู่ แล้วมันก็เดินไปเดินมาได้แต่ถ้าเมื่อไรจิตของเราหลุดไปอยู่ในโลกของความคิดหรือจิตของเราไปเพ่งไปจงใจปฏิบัติไว้เราจะไม่สามารถเห็นกายเห็นใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างตอนนี้จิตจิตทำอะไรท่านทราบไหมจิตสลัมลงไปดูออกไหมก็รู้สึกว่าพยายามอ่ารู้กายรู้ใจนั่นแหละน่นแหะตรงนั้นแหละคือปัญหาอย่าพยายาม พยายามจริงๆเป็นโลภะอยากจะรู้กายอยากรู้ใจอยากจะปฏิบัติท่านไม่ต้องพยายามนะถ้าจิตมันอยากแฝปฏิบัติให้รู้ว่าอยากปฏิบัตินี่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงที่เราพยายามนั่นเองมันเป็นการไปตรึงความรู้สึกของเราให้นิ่งเกินความเป็นจริงอย่าตอนนี้จิตจิตมันไหลแวบเมื่อกี้นี้นะแล้วก็พยายามจะบังคับตัวเองไว้เราไม่บังคับ คือเราจะดูจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้ดูเหมือนเราตรวจแถวทหารแถวทหารต้องเรียบร้อยเราดูจิตใจของเราเหมือนดูเด็กนักเรียนเด็กมันวิ่งเล่นเหมือนดูเด็กเด็กนี้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวเด็กก็ร้องไห้เดี๋ยวเด็กก็เรียบร้อยเดี๋ยวเด็กก็สนเดี๋ยวเด็กเด็กก็โมโหอะไรเงี้ยเราจะดูเหมือนเราดูเด็กคนหนึ่งเราะั้นเวลาเราจะดูเด็กคนหนึ่งเราไม่ได้ไปจ้องห้ามคาดสายตาถ้าจ้องมากเด็กไม่มีความสุข เด็กจะนิ่งนิ่งผิดความจริงงั้นเราจัดการกับจิตของตัวเองเหมือนเราเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเราคอยดูคอยดูเขาไปเรื่อยๆแต่อย่าไปนั่งเฝ้าถ้านั่งเฝ้าเด็กจะเครียดเนี่ยจิตเด็กหนีไปแล้วทราบไหมเด็กหนีไปมันต้องทําอย่างไดอย่างหนึ่งอือถ้็จะฟังท่านให้รู้เรื่องใช่ใช่จะฟังให้รู้เรื่องต้องฟังไปคิดไปมันต้องฟังไปคิดไปมันก็มันก็ลืมกายลืมใจใช่ถูกต้อง เหนมจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งไล้อย่างเดียวพอไปรู้เรื่องที่ฟังไปรู้เรื่องที่คิดคก็ลืมกายลืมใจะแต่ว่าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ฟังให้รู้เรื่องอ่ะะเราฟังเนี่ยเพื่อจะหัดรู้กายรู้ใจไปเรื่อยอย่างนั่ ง, <S 2> <S 2> <N> น, งนั่งตรงเนี้ยไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้นะไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้แต่กายของเราเป็นยังไงเราคอยรู้สึกใจเราเป็นยงไงคอยรู้สึกอย่างฟังซีดีหลวงพ่อก็เหมือนกันนะไม่ได้ฟังเอาเรื่องนะไม่ใช่ฟังเอาเรื่องไม่ได้อ่านเอาเรื่อง ฟังแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจของเราไปเรื่อยหลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนท่านั้นเองไม่ให้หลับพูดเป็นเพื่อนไม่ให้หลับพูดไปแล้วเราค่อยดูกายก็ดูใจของเราไปเราไปจงใจปฏิบัติเราก็รู้เราใจลอยไปเราก็รู้จิตใจเป็นยังไงเราค่รู้ไปเรื่อยพอเรารู้ได้ต่อไปเนี่ยกายกับใจจะเป็นครูสอน ธ, ธรรมะเรานะหลวงพ่อสอนธรรมะใครไม่ได้นะธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแท้ๆเลยต้องรู้ด้วยตัวเอง สิ่งที่หลวงพ่อทำได้ก็คือชวนพวกเรามาคอยรู้กายรู้ใจยัง เ, เวลานั่ง <c oughs> นั่งปฏิบัติหรือเดินปฏิบัติบางครั้งบางโอกาสเนี่ยเราจะเห็นแต่เห็นนี่ไม่ใช่ตาเห็นเราจะเห็นว่ากายมันเดินหรือกายมันนั่ง อย่างนี้คืออะไรครับผมใช่ได้นะเราค่อยดูไปร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายป็นนอนนะเราค่อยรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่ไปเราจะเห็นเลยตัวที่เดินตัวที่นั่งตัวที่นอนเนี่ยเป็นของที่ถูกรู้ใจของเราอยู่ต่างหากนะใจเราเป็นคนไปรู้มันเข้านั้นหัดหัดดูอย่างที่โยมบ้านนี่ใช้ได้ <S <S เห็นไอ้ตัวนี้ น, นั่งแล้วก็นั่งโยกโยกอย่างนี้ด้วยเห็น <S <S อย่างนี้ล้วบ่อยนะดีๆแต่ก็ไม่ทราบว่ามันคือ มันมันเป็นตัวที่หนึ่งเลยของการทำเจริญปัญญาชื่อว่านามรูปปริเฉทยาแยกรูปธรรมกับ น, นามธรรมออกจากกันเราเห็นวนะ่าตัวที่นั่งอยู่ตัวที่ขยับปากตัวที่พยักหน้าเนี่ยมันเป็นรูปธปรรมใจของเราอยู่ต่างหากเป็นคนดูยมรู้สึกไหมตัวนี้เป็นคนถูกดูเป็นตัวที่ถูกรู้ถูกดูเห็นครับผมดีดูไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วต่อไปก็พัฒนาอีก ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอีกต่อไปเราก็ฝึกไปอีกเราจะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลง ก, OK OK. ก, ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอีกอะไรอะไรก็เป็นของถูกรู้ถูกดูหมดเลยไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวเลยเป็นของที่จิตเราไปรู้เข้าสุดท้ายอยากจะกราบเรียนถามว่าพุทธเนี่ยคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้นี่รู้อะไรครับผมอะไรนะคาว่าพุทธเนี่ยนะ แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ทราบว่าคาว่าผู้รู้แปลว่าอะไรผู้ตื่นแปลว่าอะไรผู้รู้นะนะตรงข้ามกับผู้คิดผู้ตื่น่็ตรงข้ามกับผู้หลับผู้หลงอาการที่ปรากฏครับอะไรนะหมายถึงอาก็ผมอยากทราบว่าอาการที่มันปรากฏกับตัวอย่างเวลายกเคยเจอไหมอย่างเวลาเราใจลอยไปตรงที่สติเราลึกได้ว่า โอเมื่อกี้ใจลอยไปแล้วนะมันจะมีภาวะแห่งความรู้เกิดขึ้นสั้นๆ น, นิดเดียวอันนี้เข้าใจครับออเ น, นั้อแหละคือภาวะแห่งการรู้คืออันนั้นคือรู้ตัวบใช่ใช่แล้วผู้เบิกบานรครับผู้เบิกบานเนี่ยถ้าเราพอเรารู้ไปเรื่อยนะจิตอยู่ๆเฉยๆเนี่ยแค่มีสตินะจิตจะเบิกบานขึ้นมาเองมันแวบเ <ๆ S 1> ดียว <ๆ S 1> ใช่ไหมครับใช่มันไม่นานนะครไม่นานวัดหนึ่งวบหนึ่งใช่ใช่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยถ้าอย่างนั้นเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับ ท่าไว้คุยทีหลังก็ได้รีบไปไหนหรือเปล่ายัง<ห>ไม่รีบช่ส่งทข้างใครจะคุยไหมมีไหมโอ้ส่งผ่านเร็วๆหลวงพ่อชอบมากเลยนี่หกพันร้อยละคืออยากจะทราวบว่าที่พายอาจารย์บอกว่าตัวเราไ ม, ไม่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนนะคะหมายความว่ายังไงคะแต่เราอย่าไปคิดเรื่องนั้นเลยเรามาเรียนอย่างอื่นดีกว่า แต่และคนเรียนไม่เหมือนกันหรอกรู้จักใจลอยไหมรู้จักเหม่อไหมไปนับดูนะว่าห้านาทีเหม่อกี่ครั้งชั่วโมงหนึ่งถ้าทําได้ในะชั่วโมงหนึ่งนะแบ่งเวลาไว้สักห้านาทีแล้วก็ไปคอยนับว่าใจลอยกี่ครั้งเดี๋ยวหลวงพ่อจะนับให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไหมเนี่ยหนึ่งครั้งนะใจหนีแวบไปเนี่ยสองครั้งล ะ, บบ ร, งละรู้สึกไหมใจมันไหลแวบบแวบเบนี่ยไปละสามครั้งละดูออกไหม สงสัยแล้วรู้ไหมรู้ลงปัจจุบันได้เรื่อยๆ อ, อ, อย่างเงี้ยเนี่ยหนีอีกแล้วรู้สึกไหมเราไปนับนะห้านาทีได้เป็นร้อยเลย <c oughs> ถึงบอกให้ทำห้านาทีนั้นนะไม่ต้องมากทํามากเครียดขออนุบาลส ก, การครับโยมนั่งตามสบายเลยนะนั่งป <c oughs> ัดสมัดก็ได้นั่งกางเกก็ได้ผมค่ายเขาเรียนถามว่าที่พระพุทธเจ้าท่านกลับกับพระนรนว่า ให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกอถ้าจะหมายความว่าไงครับผมก็คือเราจะเห็นความตายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยเราจะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเนี่ยเราเห็นความตายอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไม่ประมาทความตายไม่ใช่ว่าร่างกายนี้ตายนะความตายเนี่ยเกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจจิตของเรานี่ก็เกิดแล้วก็ตายตลอดเวลาเช่น จิตมีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปจิตโลภจิตโกรธจิตหลงแต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดแล้วก็ตายไปถ้าโยมทําได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระานนท์นั้นก็จะเป็นพระอรหันต์เหมือนพระนนท์นั่นแเลยหมืายความวาเป็นเรื่องจริงเลยครับจริงแต่ไม่ใช่ว่าตายอย่างแก่อย่างนี้นะคนมันไม่ได้ตายอย่างนั้นตลอดเวลาแต่ว่าความเกิดความตายเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลาในใจเรา และอีกอย่างนะที่ผมอ่านตำรานะครับท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านพอสาเร็จแล้วท่านบอกว่าท่านจะไม่สอนชาวโลกหรอกเพราะว่าสิ่งที่ท่านทราบเนี่ยมันมันลุกซึ่งเดือกรคดีเดือดร้อนถึงพระสหามบดพีพรมต้องลงมาขอร้องให้ท่านสั่งโปรดสัตย์กับอันนี้จริงหรือเปล่าขรับผมโอ้หลวงพ่อเกิดไม่ทัน ตอนเพล่มลมมาลัคนาก็จําไม่ได้แต่ว่ามันมีสภาวธรรมอันหนึ่งนะเวลาที่จิตของเราเข้าถึงธรรมสุดจีตแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกถอดใจเลยมันยากเหลือเกินมันยากเหลือเกินที่จะพูดให้คนอื่นฟังได้อย่างใครเลยจะนึกได้ว่าจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยในความเป็นจริงคือตัวทุกข์ไม่มีใครนึกออกหรอก ใครจะรู้ว่าร่างกายนี้ทุกล้นล้วนไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างใครจะรู้ว่าจิตนี้ทุกล้นล้วนไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างใครจะรู้ว่านอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปยากสุดขีดเลยนะยากจริงๆเข้าใจเข้าถึงธรรมตรงนี้ปุ๊บนัถอดใจเลยหันไปมองเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายนะตัวใครตัวมันดีกว่าไม่รู้จะพูดยังไงะแต่เสร็จแล้วโอ้ มันจะผ่านช่วงนี้ไปช่วงหนึ่งเป็นทุกคนอ่ะผ่านช่วงนี้ไปช่วงหนึ่งนะใจมันจะมานึกขึ้นได้นี่ทำไมเราผ่านมาได้เราผ่านได้คนอื่นเขาก็ผ่านได้เหมือนกันทำไมจะพิเศษอยู่คนเดียว mm hmm. นะก็ค่อยๆมาทบทวนว่าทำไมถึงผ่านมาได้ที่ผ่านมาได้ก็เพราะว่าเราคอยรู้กายรู้ใจตัวเองขั้นแรกสุดถือศีลไม่ก่อนเราต้องมีศีลอันต่อมาเราก็มาฝึกใจของเราให้สงบให้ตั้งมัน่นอย่าฟุ้งซ่านมาก ต่อมาเราก็มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจตัวเองบ่อยๆนะทางเดินมันก็คือการฝึกศีลสมาธิปัญญานั่นเองฝึกไปเรื่อยเดินตามไปทางนี้นะมันก็ไปถึงจนได้แหลนะช้าบ้างเร็วบ้างแล้วแต่อินทรีย์แก่อ่อนเนี่ยความการุวนามจะเกิดขึ้นในใจจะทวนทีแร ก, ก็ไม่ไหวนะรู้สึกมันเหลือวิสัยจริงๆมันรอดตายมันได้เวลาภาวนาถึงจุดแตกหักนะมันมีความรู้สึกรอดตายมันได้นะครับผม รอดตายรอดบ้ามันได้โวมันน่ากลัวคือในคำพีเราพูดถึงว่าพระพุทธเจ้านะนั่งลงไปแล้วนั่งบนรัตนะบัญลังเรียกรัตนบัญลังหมายถึงว่าจะนั่งสู้ตายตรงนี้ไม่ถอยแล้วพอจิตตั้งมั่นลงไปว่าสู้ตายไม่ถอยแล้วกิเลสจะมาเป็นกองทัพเลยมารจะเริ่มผจชน พอนั่งลงไปเนี่ย น, นะจะรู้อยู่ที่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตสบายจะรู้อยู่ตรงนี้การปฏิบัติจะบีบวงเข้ามาหาจิตอันเดียวเลยเสร็จแล้วจู่ๆนะจิตมันจะพลิกตัวจากตัวที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆทุกข์ตัวนี้ไม่เหมือนทุกขเวทนาทุกขเวทนาอย่างเรานั่งแล้วเมื่อยเราขยับก็หาย หรือจิตใจของเราเคยฟุ้งซ่านเคยมีความทุกข์ขึ้นมาเราพุทโธพุทโธหรือกําหนดลมหายใจก็หายอันนี้ทํายังไงก็ไม่หายเพราะความทุกข์กับตัวจิตเป็นตัวเดียวกันตัวนี้คิดยังไงก็คิดไม่ออกเลยตัวจิตเป็นตัวทุกข์ตัวนี้เรียกว่าขันธ์ธมันตัวขันธ์นั่นแหละคือตัวมารความรู้สึกมันทุกข์มากขึ้นมากขึ้นเหมือนความตายมารออยู่ตรงหน้าล้ถ้าไม่ถอยออกจาก การปฏิบัติตอนนี้เรียกว่าถอยออกจากรัตนะบัลลังก์ที่มารมาไล่ะบอกให้ลูกซะบัลลังก์นี้เป็นของมารให้พระพุทธเจ้าลุกซะบอกถ้าไม่ถอยออกมาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดจากนั้นไปนะไม่บ้าก็ตายจิตจะระเบิดตายละมันจะเห็นเลยจิตใจเนี่ยจะใจมันจะเกิดความคิดขึ้นมาถอยดีกว่านาอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าอาภิสังขารมา ใจบางทีก็เกิดความท้อแท้นะโอ้สดจนหมดสติหมดปัญญาแล้วไม่มีทางสู้แล้วนี่เรียกว่ากิเลสมานมันบั่นทอนนะจิตใจท้อแท้สุดขีดตัวจิตเองนะเรียกว่าเทวปุตตมารจิตที่กลับกรอกถอยเถอะถอยเหอะถอยเหอะตัวจิตที่คิดจะถอยเนี่เรียกว่าเทวปุตตมารมานห้าตัวนี้นะพยายามจะไล่เราให้ถอยจิตออกมาจากนาจีที่จะแตกหักกัน พยายามไล่ตลอดเวลาเลยนะถ้ายัางคนต่อไปไม่บ้าก็ตายมีอยู่แค่นี้ถึงตรงนี้แนหะสิ่งที่เราศึกษาอบรมมาตลอดยาวนานในสังสารวัฏนะจะมาช่วยเราตัวนี้เรียกว่าบารมีไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งของเราได้ น, ะนอกจากบารมีนะเงั้นต้องสร้างบารมีไปดูเอาเอางนะสิบอย่างบารมีสิบอย่างเช่นฐานะบารมีฐานะบาร ม, าารมีเรากล้าไหมที่จะสละชีวิตตัวเอง เพื่อธรรมมะครั้งนี้กล้าไหมที่จะตายก็ตายไม่มันจะไม่ได้รู้สึกตายแล้วได้ธรรมมะนะรู้สึกว่าตายพรีเลจะกล้าสละชีวิตครั้งนี้ไหมจิตเราจะมีความเป็นปกติไหมหรือจะกระเพื่อมบั่นไหวขึ้นนี่คือตัวศีลบาลมีจิตเราเป็นปกติไหมเรามีขันติไหมเราจะทนต่อความทุกข์ที่แสนสาหานะัสเนียเราจะสามารถทนไปโดยไม่ถอยจนตายได้ไหม เรามีอาที่ฐานาบารมีมีความตั้งใจมั่นไหมว่าคราวนี้สู้ตายแล้วนะครั้งนี้ไม่หนีแล้วนะหนีมาตลอดแล้วตกเป็นทาตมาตลอดครั้งนี้ไม่ถอยแล้วนะมีสัจจะไหมมีความจริงใจที่จะปฏิบัติตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นได้ไหมเรียนรู้สัจจะความจริงอย่างนี้ได้ไหมมีนิคัมมะบารมีกล้าสละไหมความสุขทางตาหูจมูกลิจกายต่อไปนี้ภาวนาต่อไปนี้แล้วอาจจะบ้าก็ได้นะ อยู่ต่อมาเนี่ยสมมติ ว, ว่ารอดตายมันได้ไม่รอดมาได้ก็บ้าเลยจะรู้สึกอย่างนั้นละเราจะกล้าสละความสุขทา้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนั้นได้ไหมถ้ากล้าสละได้นะนี่เรียกว่าเนคขับ ม, มาบาลมนะีมีปัญญาที่จะรู้สภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงไหมนี่เป็นปัญญาบาลมนะีนี่บารมีทั้งหลายนี่แหละเอามาใช้ในนาทีวิกฤตินี่ไม่มีใครจะเป็นเพื่อนเราได้เลยนะ พ่อแม่พี่น้องมันหนีหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะเทวดายินลมอะไรหนีหมดเลยเนี่ยมานึกนึกดูนะมันคล้ายๆในพระใจพิดกนะที่ว่ามารผจนแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ตามลําพังไม่มีใครช่วยเลยเทวดาเขาหนีไปหมดท่านก็สู้ด้วยบารมี น, นั่นเองเอาบารมีมาเป็นที่ตั้งเมื่อบารมีแก่กล้ายอมสละยอมเป็นยอมตายตายก็ตายไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้อะไรเลย ไม่ตายแล้วอยู magic, ่แบบบ้าๆไปเลยเขาช่างมันยังไงก็ได้เนี่ยหมดความรักในกายหมดความรักในใจอย่างแท้จริงพอหมดความรักในกายในใจอย่างแท้จริงมันสลัดทิ้งเลยนะมันปล่อยวางกายปล่อยวางใจทิ้งเลยกายนั้นมันปล่อยไปก่อนแล้วแล้วมันจะปล่อยใจออกไปปล่อยจิตทิ้งเนื้อพอปล่อยลงไปเนี่ยมันเหมือนกับโลกกระเถือนจริงจริงใจกระเถือนใจเราหลุดออกจากเปลือบที่ห่อหุ้มอยู่ ใจหลุดออกจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มอยู่เป็นอิสระเรื่มานั้นกระจายตัวออกเต็มโลกธาตุเลยใจใหญ่ใจใหญ่ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีประมาณมีความสุขแทรกอยู่ทุกๆกอนูเลยเต็มโลกธาตุเลยเราสัมผัสทีแรกนะนี่นะน้ําตาร่วงเลยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอธรรมะอย่างนี้มีด้วยเหรอรู้สึกอย่างนี้นะมีด้วยเหรอธรรมะอันนี้ เ ป, เป็นธรรมะที่ฝับเป็นฝับตายได้อย่างแท้จริงเลยไม่มีอะไรกระเตือนเข้าถึงมันได้อีกต่อไปละงั้นการภาวนานะไม่ใช่แค่ว่าหัดรู้กายหัดรู้ใจลูกเดียวนะบา ร, รมีอื่นๆก็ต้องสร้างนะศีลต้องรักษานะศีลคนไม่มีศีลข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ต้องกล้าสละนะกล้าเสียสละต้องสู้จริงๆเลยต้องมีสัจจนะแต่สัจจา ก, กับตัวเองก็ต้องมี ต้องมีอธิษฐานบารมีตั้งใจในสิ่งที่ดีแล้วต้องทําให้ได้ลําบากแค่ไหนก็ต้องทําต้องฝึกทั้งสิ้นเลยสิ่งเหล่าเนี้เงินบารมีสิบอย่างนะต้องสร้างต้องทำํำจะเอาแต่ปัญญาบารมีอย่างเดียวไม่ได้นะมีแต่ปัญญาไม่มีศีลจะเป็นปัญญาของโจรมีสมาธิมีปัญญาไม่มีสมาธิก็ไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงเป็นความฟุ้งซ่าน ฉนี้ยเราต้องพัฒนานะอะไรสํารวจตัวเองไปเรื่อยๆมีสติมีปัญญานะสํารวจตัวเองอย่างเป็นกลางที่แท้จริงเลยอย่าลำเอียงนะอย่าเข้าข้างตัวเองอะไรที่มันเร็วๆอยู่ในตัวเองนะดูมันเข้าไปรู้มันเข้าไปเรื่อยๆวันหนึ่งถึงจะสู้กับมันได้งานข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่งานเล่นๆนะไรนี้ไม่ใช่งานเล่นๆเนะมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่กับท่านรองสงกรานต์สภาความมัน่นคงรึกงานซีเรียสนะ โหมาเทียบกับงานปฏิบัติันง่ายกว่ากันเยอะเลยอย่างเราทํางานอย่างนั้นยังมีเป็นทีมใช่ไหมช่วยกันได้นี่ตัวคนเดียวเลยต้องสู้นะต้องสู้เอาต้องค่อยๆพัฒนาคุณงามความดีแต่ละด้านแต่ละด้านไม่ดูถูกมันบางคนดูถูกการทําทานการถือศีลพูดโกหกโกหกเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรใครสั่งใครสอนโกหกเล็กๆน้อยไม่เป็นไรใช่ไหม ต้องค่อยๆฝึกนะแึ้แต่เราเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันเข้มแข็งขึ้นทุกวันนะรวมกำลังเอาไว้นั่นเองเอาไว้ใช้นาทีสุดท้ายที่จะข้ามภบข้ามชาตินั่นแหละตอนธรรมะเบื้องต้นนะง่ายนะไม่ถึงขั้นจะเป็นจะตายหรอกธรรมะเบื้องต้นดูดูดูไปเข้าใจปิ๊งนี่มัแหมสบายซะอีกดูุดออไปเฉยๆเลย จะขํามพบพข้ามชาติคล้ายๆคนจะคลอดอ่ะ <c oughs> คนจะคลอดนะแม่ถ้าไม่ตายซะก่อนลูกคงออกมาได้ะ <c oughs> งะเวลาหลุดพ้นเนี่ยพระเจ้าจะใช้คําว่าจิตหลุดพ้นจากอาสะวะเพราะความไม่ถือมั่นจิตหลุดพ้นจากอาสะวะอาสะวะกิเลสเป็นเครื่องห่อหุ้มจิตไว้ย้อมจิตไว้เป็นเนื้อเดียวกับจิตเลยจิตย้อมตั้งแต่ข้างในสุดจนดข้างนอกสุดนี้เป็นเ ป, นเ ป, นเปลือกหุ้มจิตไว้อีก โอจะต้องสํารอกอาสวะออกให้หมดหลุดจากอาสวะได้เพราะไม่ถือมั่นในรูปธรรมนามธรรมในกายในใจไม่ถือมั่นในกายในใจได้เพราะมีปัญญาเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งกายนี้ใจนี้คือทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้างจะมีปัญญาเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะตั้งมั่นอย่างแท้จริงเลยแล้วดูโดยไม่แทรกแซงไม่ใช่จงใจดู สติต้องเกิดเองสติระลึกขึ้นเองไม่ได้จงใจขณะที่รู้จิตมีสัมมาส ม, มาธิไม่ถลำลงไปในการรู้สักว่ารู้สักว่าเห็นรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงรู้แล้วดูทุกอย่างตามที่เขาเป็นเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยทาซ้าแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนี้หละนะสะสมทุกวันทุกวันนะศีล ส, ส ม, มาธิปัญญาฝ่อยอบรมแก่กล้าขึ้นทุกทีทุกทีถึงวันหนึ่งมันก็ต้องไปสู้ตายกันนะ ต้องไปสู้ตายกันถึงจุดนั้นมันจะรู้สึกเถอยหรือไม่ถอยดีถ้าถอยนะตกเป็นทาตของมา น, นี้ต่อไปแต่ก็มีชีวิตอย่างมีความสุขมากกว่าคนทั้งโลกละมีความรู้สึกเหมือนว่าถ้าถอยก็เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิมีความสุขกว่าคนทั้งโลกล่ะถ้าสู้ต่อไปโอกาสรอดนี่ไม่เห็นเลยมันถึงจุดนี้นะถึงหลังชนกําแพงเนะี่ยไม่มีโอกาสรอดเลยมีแต่หนีหรือไม่ก็ตาย ถ้ารอดตายแล้วยังสู้อยู่ก็บ้าไม่มีทางเลือกงั้นต้องแกล่งจริงๆนะต้องฝึกอย่าดูถูกกุศลทั้งหลายนะศีลสมาธิปัญญาสำคัญหมดเลยต้องสู้ตายจริงๆเลยกว่าจะคนทุกคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ใช่ง่ายนะคนในโลกมีหลายพันล้านคนมีหกพันล้านกว่าคนใช่ไหมคนที่มาภาวนาจริงๆมีสักกี่คนภาวนาจนจิตตื่นขึ้นมามีสักกี่พัน เือระดับพันแล้วนะที่จิตตื่นขึ้นมาได้ที่จะเข้าถึงมรรคถึงผลจริงๆมีเป็นระดับร้อยเท่า น, นั้นเองงั้นต้องสู้นะต้องสู้อาวันนี้ได้แค่นี้เชิญโยมกลับบ้านไปเดี๋ยวขอคุยกับท่านรองสงกลามลุงน้องหน่อยลุงน้องเปลี่ยนชื่ อ, อยังไม่เปลี่ยนนะพูดตายน้องบุญนิม